อาจจะไม่ค่อยได้ฟังธรรมจากท่านหรือว่าเป็นรู้สึกท่านโดยตรงนะแต่ก็มาคารวะสรีระท่านอา่าไม่เยกว่าเป็นพระที่มีผู้คนนับถือมากมายแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นเกจิอาจารย์อา่าที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเพราะว่าหลวงพ่อท่านไม่ ท่านเน้นแต่เรื่องการสอนธรรมะโดยตรงเรื่องอิสลิปปฏิหารเรื่องการสดอกเคราะห์หรือว่าการส่งครอ์ผู้คนในทั้งโลกชนิดให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยอันนี้หลวงทหลวงพ่อท่านเรียกว่าไม่เอาเลยนะแต่ก็ยังมีนังสือพืนบางแห่งก็พาดหัวว่า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 มีกินเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าสูบบุหรี่ไม่เท่าไหร่นะเล่นการพ น, นันกันบางที่หลวงพ่อท่านก็ไปชะเงอ้อมองในหมู่บ้าน น, นนะในบ้านชาวบ้านตอนหลังชาวบ้านเขาเก่งใจเพียงแค่เพียงแค่ท่านชะ ง, งอ้อขอมองดูนี่เขาก็เก่งใจแล้วแต่ที่ไปมาถึงจุดนั้นได้นี่ท่านก็ต้องทําตัวให้เป็นที่ศรัทธา น, นับถือของชาวบ้านนะเรื่องอันหนึ่งที่ท่าน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 ชาว บ, บ้านก็ไม่เข้าใจที่ไม่ชอบกันเยอ ะ, ะเพราะคิดว่าอความงมงาย น, นั้นคือการได้บุญคือความได้ได้โชคได้ความสำเร็จสลวงพ่อท่านก็ไม่เอามีจัดมีงานบุญนะท่านก็ไม่ไม่เอามาขอรศบมาก็มีพอประมาณนะแต่ว่าประเภทหมอลำชกมวยนะอันนี้นะไม่ให้ไม่ให้เข้าวัดเลย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 แล้วมันมีปัญหาขึ้นมาเพราะว่าทางการบ้านเมืองเนี่ยสงสัยว่าท่านทำอะไรอยู่ท่านต้องการทำอะไรทั้งนี้เนื่องจากว่าช่วงปี20เนี่ยถึงปี2425ประมาณเนี่ยห ร, หรือว่าเข้มข้นแล้วก็ช่วง2023ที่นี่มันเขีสีชมพู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 คอมมิวนิสต์ฐานคอมมิวนิสต์ปุนเปียนอยู่เป็นครั้งคราวทางการบ้านเมืองก็ระแวงสงสัยหลวงพ่อว่าท่านเป็นนาร่วมคอมมิวนิสต์หรือเปล่าเพราะว่าทําอะไรไม่เหมือนพระทั่วไปเนี่โดยพอศูนย์เด็กเนี่ยเคยมีเจ้าที่อำเภอบางคนขึ้นมาแล้วก็พวกก็หลวงพ่อว่าเนี่ยศูนย์เด็กอะไรมาตั้งอยู่บนเขาเนี่ยคื อ, ค, อคิดว่าหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อเนี่ย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 แล้วท่านเล่าว่าเนี่ยประมาณปีสองหนึ่งเนี่ยกลางดึกเนี่ยท่านนอนอยู่ที่สาลาหลวงพ่อท่านไม่มีกุตินะท่านนอนสาราเป็นประจามาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งมาสุกโตอาตมามาบวชกับท่านได้หลายปีก็ยังเห็นท่านนอนสาราไก่สาราไก่รุ่นแรกนมันไม่ใช่แบบนี้มันเป็นสาราโสมนนะก็ที่นอนหมอนม้ง ทำวัดก็ทำกันตรงนั้นฉันก็ตรงนั้นแหละเป็นศาลาอเนกประสงค์ไม่มีกุฏิส่วนตัวท่านก็นอนศาลาไก่เนี่ยการดือก็มีคนเตตดววิครบมือประมาณสิบคนนะมาแล้วก็มีสามคนขึ้นมาหาท่านบนกุฏิเวลาท่านนึกว่าคงอาจจะตายได้นะก็ จ, จะมาฆ่าท่านท่านก็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 หลวงพ่อก็ต้องพยายามทำความเข้าใจนะกับคนเหล่านี้ถ้าไม่มีความเกลียดชังหรือว่าความรู้สึกกลัวนะปฏิกิริยาเหล่านี้เลยกับทหารป่านี่ท่านก็พูดถึงขั้นว่าเนี่ยเขาสงสัยเราก็ดีเหมือนกันนะเขาจะได้รู้ว่าเราทำอะไรเพราะาเขาสงสัยก็ติดตามติดตามเาก็รู้ว่าเราทำอะไรถ้าเารู้ว่าเราทำอะไรแล้วก็ก็จะเห็นว่าเราไม่มีอะไรนะที่น่ากลัว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 จำได้ว่าตอนที่ขึ้นมาบนหลังเขาประมาณปีสองสามหรือไม่ทั้งปีสองหกเนี่ยก็ถึงกับมีชาวบ้านพูดว่าเนี่ยจะขึ้นมาวนี้ได้ต้องแจ้งนายอำเภอก่อนหรือว่าแจ้งผู้ว่าก่อนดูมันขนาดนี้เลยนะะ น, น, นี่ยิ่งกวเป็นคอมมิวนิสติกนะคือเขามีความระแวงคนหนุ่มสาวคนจากในเมืองซึ่งตอนนั้นก็เริ่มขึ้นมาช่วยหลวงพ่อทำศูนย์เด็กนะ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 ความช่วด้วยความดีเอาชนะความตรหนี่ด้วยการให้เอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเอาชนะคําอัดสัตคําเท็จด้วยคําจริงนะหรือคําสัต์ใครร้ายกับท่านมาท่านก็ไม่เคยร้ายตอบนะท่านก็ดีด้วยอาจจะมีแข็งบ้างนะแต่นั่นก็รประโยชน์ของชาวบ้านเคยมีชาวบ้านคนหนึ่งเคยถูกท่านเคียนนะถูกท่านเคียนที่วัดเป็นเรื่องข่าวใหญ่เลย นั่นอยู่ที่สุขตะยุทธธรรมไฟที่ท่านเครียดก็เพราะว่าเขาเคยบอกหลวงพ่อว่าถ้าเขากินเหล้าเข้ามาในวัดให้หลวงพ่อเครียดได้เลยแล้วก็เครียดจริงๆแล้วก็เป็นครั้งเดียวนะที่ท่านทําอย่างนั้นแต่ท่านไม่ได้ทําด้วยความโกรธความเกลียดท่านทาด้วยความปรารถนาดีนี่นเป็นแบบอย่างในการที่รับมือกับคนที่กล่าวหามุ่งร้ายใส่ร้ายท่าน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 ก็ไม่พอใจท่านเพราะอาจจะเห็นว่าหลวงพ่อเป็นที่มีคนยกย่องมากนะมีคนหนุ่มสาวมายกย่องมีหนังสือท่านของท่านพิมพ์กลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมตอน น, นคุณวุฒิชัยยังอยู่คุณวุฒิชัยคือคนที่มีภาพอยู่ที่สาลาน้ําำใครๆก็นึกว่าเป็นอตาตมานัไม่ใช่คุณวุฒิชัยคุณวุฒิชัยในแก๊สูงอตาตมาเยอะแล้วก็คนก็สร้างสาลาน้ําเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับคุณวุฒิชัยซึ่งประสบอุบติเหตุ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 แต่ครูบาาจารย์คนอื่นไม่มีเลยนะแล้วก็ยิ่งหลวงพ่อยิ่งมีบางคนไปพูดํำนองว่าหลวงพ่ออวดว่าหลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนาเขาก็ยิ่งอิจฉาเขาไปใหญ่ mm hmm. ก็ไปพยายามที่จะมายึดวัดนี้โดยอ้างว่าเคยเป็นผู้บุตรเบิกหรือว่าโดยอ้างว่ามีเครือข่ายกับชาวบ้านที่นี่นะ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 เห็นตรงกันนะตอนนั้นอาตมาก็อยู่หลวงพ่อก็มอบให้เป็นเจ้าวาหลวงพ่อเป็นเจ้าวาที่วัดภกเขาทองก็ตกลงกันว่าเราเราย้ายดีกว่าแต่เรารู้ว่าอการย้ายเนี่ยก็เป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาชั่วคราวพาอรู้ว่าในที่สุดเขาก็ต้องแพ้ภัยตัวเองเพราะผู้ว่าก็แก้ปัญหาด้วยกันบอกว่าให้พรรษานั้นเนี่ยว่างพระไม่ต้องมีใครมาอยู่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 ท่านไม่คิดจะเอาผิดเอาถูกกับใครท่านไม่คิดจะยืนแล้วว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นท่านก็พยายามชี้แจงนะว่าไม่ไม่เป็นอย่างที่เขาพูดท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่เข้าใจนแต่ว่าถึงเวลาท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะยืนยัดยึดมั่นถือมันในความถูกต้องว่าฉันถูกแก่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันไม่ยอมวิธีนี้ไม่มีอยู่ในความคิดของหลวงพ่อนะเรื่องว่าความยึดมั่นถือมันในความถูกต้องแม้จะ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 สิ่งนี้เนะี่ยท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ท่านไม่ได้เพียงแต่พูดนะท่านทําให้ดูด้วยแล้วเวลาที่ที่ท่าน อ, อที่ท่าน อ, อัตมาฯก็ได้เรียนรู้จากหลวงพ่อเนี่ยในเรื่องนี้ในเรื่องของการไม่ยึดมั่นในความถูกต้องจนกระทั่งเรื่องว่าถ้าไปยึดมั่นในความถูกต้องแล้วมันจะก่อความเสียหายอย่างไร เพราะฉะนั้นไม่ควรยึดมั่นในความถูกต้องจนกระทั่ทงมันเกิดความวุ่นวายกันมากเคยมีเหตุการณ์หนึ่งในะปีสองแปปลายพรรษาแล้วตอนนั้นเป็นปีแรกที่มีพระมาจำมษ า, าเยอะมากเกินสิบแต่ก่อนไม่เคยมีพักเกินขนาดนั้นเพราะว่าที่นี่มันลำบากอัตคัดขาดแคลนก็มีพระมาจำมาสากันเยอะแล้วก็มีพระจากภาคใต้มากันหลายรูป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 อีกรูปหนึ่งก็เลยเอาอไปอ่านเอาไปอ่านแล้วก็เจ้าของเงินก็ไม่พอใจนะว่าฉันเป็นคนออกเงินอีกคนก็บอกว่าก็ฉันเห็นก่อนนะ่ะฉันก็อ่านก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไปทะเลาะมาต่อยกันเลยนะต่อยกันเลยอันเป็นเรื่องเป็นราวนะใหญ่โตในวัดหลวงพ่อเมื่อทราบเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านแทนที่จะอ่า ตัดสินว่าใครผิดใครถูกเนี่ยท่านก็กลับพูดว่าเนี่ยมันอย่าไปเอาผิดเอาถูกเลยนะท่านก็สอนพระเนี่ยทั้งทั้งคู่กรณีเนี่ยว่าเอาผิดเอาถูกกันไม่ได้นะถ้ า, าผิดเอาถูกเมื่อไหร่มันก็จบลงด้วยการทะเลาะบบาแวงกันหรือถึงขั้นใช้กําลังกันท่านก็พูดให้เป็นข้อคิดนะเพราะฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าฉันถูกแกผิดอีกฝ่ายก็บอกว่าฉันผิดอาฉันถูกแกผิดแล้วก็ ตกลงกันไม่ไดนะ้ตอนนั้นก็ใกล้ใกล้ออกพรรษาและอีกวันสองวันเท่านั้นเองนะในสุดเขาก็ได้คิดนะได้สติแล้วก็พอถึงวันปา ร, รนาก็มาล้อมวงล้อมวงมีปา ร, รนาตามประเพณีนั้นะแล้วก็กังคืนก็มีการมาล้อมวง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 ในสุดพรนศานั้นก็จบลงด้วยดีนะก็มีร้องห่มร้องไห้กันไปหลายคนนะเพราะว่าศรัทธาแล้วว่าปิติที่ทุกอย่างจบลงด้วยดีอันนี้ก็เป็นวิธีการของหลวงพ่อนะในการจัดการความขัดแยง้งนะท่านไม่ท่านไม่ได้คิดเหมือนคนทั่วไปหรือคนในเมืองว่าเมื่อเกิดเท้วนี่มันต้องชี้ผิดชี้ถูกนะท่านบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แลนะฝ่ายหนึ่งถูก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 จัดการความขัดแย้งนะท่านไม่ได้เพียงแต่สอนธร ร, ะ, ระดับโลกุตตะนะจุเพทที่เรียกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไระประเทที่รอนเหนือทุกพ้นทุกนะแต่ว่าในขณะที่ยงอยู่ในโลกนะท่านก็สามารถจะเอาธรรมะขั้นพื้นฐานเนี่ยในเรื่องความเมตตาในเรื่องของการไม่ยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องนี่มาใช้เพื่อแก้แก้ไขความขัดแย้ง